อ, อยากป น, น, นิบัติเรื่ออยากก็นำตังเฉยๆหัวเลาะอย่างเดียวอุทานมาทางอากาศเล่าไปตามอยากเล่าไม่มีเ ห, หาตุกาอะไรเห็อนไหม อ, อล้วบัติมันก็เลาไม่จะเร่งจริงเรื่องุงตังนะ ถือเอาน้เรื่องใหยังประโยชน์ในการพิจารณาทำเป็นสำคัญนะอย่สียเจริงเปนะ็นัมนะอ่าพิจารเจตาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เ, เหมือนเปรียบเลยนะ <c oughs> านานมากโลกมนุษย์เนี่ยยังเพิงจะ ได้อุบดดักิคือเราจะมีสิ่งที่จะมีสิ่งมีชีวิตอุบัติเกิดขึ้นม า, หนาใหม่หลังจากที่เราไม่ได้มมีการขขาาถูกเผาผลาญถูกทำรายโดยธาตุทั้งหลายที่มันไม่สมบูรณ์นะมีเปวไฟลุกท่วมโลกแล้วก็ค่อยๆเกลียดแห้งลงไปไปลายแล้งเฉาลงไปก็เลยจะละอองนะ มีละอองขึ้นจนเจนใช่ไหมจากฝนละอองพวกนั้นเมื่อไหร่ก็หยดลงไปมันก็จะร้อนอยู่ภายในข้างในข้างในแกลี่โลกก็มีความร้อนแต่ข้างนอกมันจะได้มีความเย็นอย่างเงี้ยเมืออกกเ่อความเย็นข้างนอกมีความร้อนข้างในปรากฏมันก็ทําให้อากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงอการเปลี่ยนแปลงทำให้มีการ เขาเการเคลื่อนของลมการเคลื่อนของลมร้อนกับลมเย็น้ามาประทบกันอืถ้าทั้งหลมันมาประชุมลมกันมันก็เลยกลายเป็นหยดน้ําพอมันมีน้ําตกมัมาเป็นพื้นตามพื้นที่ที่สูงที่ต่ำมันก็เลี้ยวจะมาลมเจอกันเป็นแอ่งน้ําเป็นอะไรบ้างใช่ไหมก็จะมีแอ่งน้ําใหญ่ใหญ่ แอ่งน้ำที่เล็กหน่อยก็เป็นแอ่งน้ำที่มันเดู่ตรงปากภูเขาไฟที่ตามที่มันเกิดแรงดันจากภายในโลกเป็นเปลวไฟที่มันสูงๆเนี่ยมันเหียดแห้งลงไปตรงนั้นมันมีราวาไหลลงมามากๆแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นต้นที่จะเป็นแอ่งกว้างอย่างเงี้ยฝนตกระยะระยะกะจ็จะมาใน ในจักรวาลนี้ไอ้เจ้าพรโลกของเราใบนี้ก็ไปฝนตกหลายหาตัวนั้นนะหาหนึ่งหนักเท่าไหร่ก็ไป <c oughs> <c oughs> รู้แล้วจะไปเรื่องหาใช่ไหมเราก็เป็นหาเราก็จะ เ, เพรียร์ภาษากันเนี่ยหาเป็นหานป็นก็หลายแต่ทำไมย้อนอากาศก็เริ่มชื่นชื่น น้ำก็เริ่มไหลไปตามที่สูงลงจุดต่ําำไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นอพื้นข้างบนมันก็เริ่มเย็นใช่ไหมไอ้ปาตกุนข้างล่างมันก็เริ่มมดน้ํากับปลาร้อนข้างล่างมันทําให้เกิดเนมันอบคุณชั้นบรรยากาศของเดินมันก็เริ่มปนตัวเร็วท่านว่าถ้าปกติถ้าฝนตกลงไปข้างล่างมันยังร้อนอยู่มันมันไม่สามารถจะทาให้ถ้ามันอยู่ตามพอดี ประจุมกันร้อนจะไม้พอดีแต่ว่าน้ํามันขังมันนานเข้ามันทําให้ชั้นของชั้นของดินเนี่ยมันมีตามเย็นอุ่นมันไม่ร้อนพอมันไม่ร้อนแล้วข้างบนมันเย็นข้างล่างมันอุ่นมันก็มีตามประดีของธาตุมันทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดอันแรกก็คือพวกอันต์เนี่ยตกเปรนเต๊ตต์เวเจ็คเขียวมันก่อตามอย่างเช่นว่าจักคุจะไข่เนี่ยมันจะค่อยๆเกาะขึ้นมาก่อน มีดินเติม เ, เตนี้ยเกิดขึ้นมาพืชพื้นมันก็เริ่มเขียวมีสีมีสันนะเริ่มเขียวไปตามค่าค่าที่มีน้ําอย่างนี้ก็ไป ม, มันก็มีค่ารอบๆตะรอบๆเนี่ยเริ่มเขียวเรื่องอะไรดิงที่มันเคยมันมีพืชมาในสมัยก่อนเนี่ยมมันก็เริ่มปรากฏขึ้นมาแทนจริงอยู่นั้นเมล็กมันจะถูกทำลายไปด้วยความร้อน อากาสามันไม่ลลาถูกไหมเออเมื่อคามเหมาสมในในั้นบยากาศจะดินในอุภที่เหมาะสมาทั้งสี่มันก็เริ่มประชุมรวมกันใหม่ต้นไม้ที่มันเคเคยเกิดมาสมัยก่อนน้นมันก็มาเกิดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ก็เริ่มมีต้นไม้เล็กๆเกิดขึ้นบ้างตไม้ด้วยบางที่ไม่มีน้าขังนานๆเป็นล้านล้านปีไม่ใช่แค่ ตูสองปีแล้วมันจะนั่นนะความอุณภูมิในชั้นบรรยากาศของเปือกโลกชั้นในเนี่ยมันจะเริ่มอบอุ่นใช้เวลานานนะนานจะนับเป็นล้านล้านปีเนี่ยความอบอุ่นมันจะเริ่มดูดขึ้นในชั้นบนในชั้นของดินชั้นล่างแต่ลกลงไปมันก็ยังร้อนอยู่ถูกไหมร้อนเนี่ยมันมันก็ดูดกับการที่ทําให้ดินชั้นกลางเนี่ยมันอุ่นแต่ดินชั้นกาอุ่นดินชั้นบนมันย็น มันก็เหมาะกันมีสิ่งมีชีวิตเพราะว่าความอบอุ่และคามเย็นมันจะทำให้อากาศที่เราโตขึ้นไปเนี่ยมันมีความตึ้ชื้นมันตึ้งชื้นในความชึ้งชื้นการเคลื่อนตัวของแรงลมทั้งหลายมันก็จะเรงไม่แรงลมมันรงมันแรงเพราะว่าทั้นบรรยากาศในพื้นโลกเนี่ยมันร้อนมันร้อนนั้นตรงที่เวลาปัจจุบันเนี่ยที่อ่า ที่แนวะปรญาก็ดีตะเตยได้ก็ดีที่ญี่ปุ่นก็ดีมันเป็นแนวแตกของโลกเกิดโลกที่แนวแตะที่มีอุร์โจน์คามร้อนข้างล่างน่ยมันขึ้นมาดังนั้นช่วงระหว่างบริเวณตรงนั้นมันจึงมีกระแสลมที่รงมันจะมารจะก่อให้คลืนน้ำเนี่ยจนพายุที่รุนแรงได้อนการเครื่องก่อไออย่างเนี้ยคามร้อนที่ตกอยข้างล่างเนี่ยแนวแตขนนก ข, นนนของโลกเนี่ยมันทําให้เกิดอย่างเนี้ยแล้วเมื่อทรายนดินเนี่ย มันสา ม, มารถที่จะยึดตัวลงไปได้ใครต้องบอกว่าเอาเรื่องหน้าไปเรื่องหน้ า, นานนกันนานแค่ไหนไม่ทราบเงาของลายแตกของโลกนะ่ะที่มีผืนแผ่นดินอยู่ข้างบนถือ น, น้ํานั่นน่ะมันจะแตกยึดตัวลงไปหมดไปาการเคลื่อนของเกลียโเกลที่มีการเปขึ้นเปลนลงเป็นเพราะว่าควาร้อนที่อยู่ในโลกในใจของโลกเนี่ที่มันมีความร้อนนั่นมันจะหมั่จอมันดกัน แล้วก็การอุรุมข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทําให้ความร้อนข้างล่างมันไม่ปะทุขึ้นมาแต่ตรงที่เป็นแนวแตกมันก็จะออกมาออกมาเป็นกองภูเขาไฟบ้างแต่อะไรบ้างอย่างนี้เปนการระบายความร้อนออกมาเป็นอย่างนี้จะพูดเรื่องอะไรเอาว่าไปเรื่อยๆกันแล้วกันโมนะโมเน้่นเมื่อสภาพของบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปอ่า ลมที่มันพัดข้างบนมันก็เริ่มเป็นปกติไม่ไม่ถาบสวยแรงแรงม่ใช่เคลนที่อย่างอยู่นากาที่มาสร้างเป็นธรรมชาติความเริ่มเย็นปรากฏต้นไม้เริ่มมีชีวิตขึ้นมาเป็นต้นที่มันมันไม่สูขการทําลายมันก็ต้องโตเป็นพิเศษแบบปกติใช่ไหมต้นพิเศษชุดว่าใหญ่แค่ไหนบ้านเนี้ยยังไม่พากับต้นไม้ต้นหนึ่งดอบรอกเนี้ยสามต้นเนี้ย โมนะเนี่ยอ่โมไม่โมไมัมนไปที่บ้านไร่เนี่ยฉันแถวทัพทันเนี่ยตอนฉัไปสมเดจมาได้เนี่ยทำไมฉันไม่ปวดฉันด้นทึ่งต้นอะไรขนนต้นขนาด45่ห้าคนโอบเปล่าขนุนนะรถที่ไหนเดี๋ยวนี้ต้นขนนจะเห็นขนาดนี่ยใหญใหญ่สุดไปงั้นเห็นที่นั่น45คนโอมันต้นขนนต้ น, นมมวงนะ ในป่าใกล้ๆป่าห้อยป่าแท่งนะเอ่อเห็นไหมว่านี่แค่สมันี้นะสมัยที่มันใหม่ๆมันจะขยายใหญ่เช่นพูดมันมีเหตุผนพอไหมล่ะมันต้องใหญ่เพราะมันมันมีการทําลายธรรมชาติในการเคลื่อนของธรรมชาติมันยังไม่จบการทําลายอย่างรุแรงใช่ไหมความสงบของการแปรปลี่ยนของธาตุทั้งหลายมันมีแล้วความเป็นอกทั้งสิ่งมีชีวิตต้นอุบัติเกิดขึ้นแล้ว แต่ดด้วยตัดไม้เริ่มปรากฏมีแล้วเริ่มปฏิบัตเกิดขึ้นมีแล้นี่การที่ธรรมชาติมาเริ่มเหมาะสมเนี่ยผู้ที่ออยู่บนสวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดีเนี่ยเขาต้องมีสภาพจําจิตมันมีสภาพจําเมื่อเขาเรียกว่าดินแดนนี้เคยเขาเคยอยู่เป็นสุขเขาเคยมีความสบาย แต่ว่าเขาจากที่นั่นมานานเป็นกับแต่มามล่ะบางคนอยู่บนสวรรค์ น, นานเป็นกับไหมหลายกับนะหลายกิ่มเหมือนกันแหละอ่ะาแค่นี้เขาก็มองเขาก็ต้องระลึกถึงความสุขที่เขาเคยมีความสุขในตามตนมนุษย์ไอการเนเจ้าด่านางฟ้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันเป็นการขัดเป็นยังไงบ้างรอราลูกล่างมันไม่ส่วนให้มันชวนใ ห, ให้หลงไหลก็จริงแต่ว่า มันก็ได้ก็ตามปัจฉนาเป็นสุขในฐานะของความคูต pues ัวผเมืองเขานะเวดาคมนก็อยู่ส่วนไปใช่เทวดานางฟ้าก็อยู่ส่วนเทวดานางฟ้ากันไปเราไม่พูด่องคบัก่อนก็พูดเทวดานางฟ้าอุบัติอ่าเลาไปก่อน มีนางเยดานางฟ้าที่รักกันมากอยู่ในสวรรค์จนดาวทะลุไปเจอโลกชอบเที่ยวเป็นคู่รักที่ชอบเที่ยวไม่ชอบอยู่กับที่ที่ไหนเป็นที่สนุกสนานล่าเริงคู่นี้เขก็จะพากันไปเขาจะไปเป็นแค่สองคนนะบริวารก็ไม่เอาบริวารไม่เที่ยวิมานไเลเ อ, อกลัวเป็นกอขอค อ, อนั้กลางขวางคอนะเขาจะไปเนี้ อาจจะล่องไปแล้วเลยที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่มีต้นไม้ดอกไม้เขาชมไปเรืยเขาไม่คิดถึงความว่าตายเขาคิดไปว่ามันเป็นความสุขที่เขามีความเป็นสุขอยู่ดังนั้นที่เขาเลยเลยมาเนี่ยเขามาจนถึงตายป่าป่าอย่างเขาเรียกป่าหิมะพานเนี่ ย, เ, ย, ย, น เ, นยเลยมามันเลยมาไกลนะสุดขอบของสวรรค์ชั้นดาวกระดึง จเป็นสวรรค์ชั้นดาวดงจะมีเขตก็เขาดเปขตก็คือแนวของภูเขาคันจามาถอดยาวเป็นเขตก็นวภูเขาคันจามาถนกวเขาคันจามาถาเป็นเนะตขตก็คือแนวเันจามาถอดย า, กกานนเป็นขตืนขเานจามอดยวเป็นตกงนนะเขนจดเป็นเตนอาาดยนะาวเป็นเขตกอแนงเขนอาปตของภขาอยวเนขตคอนงเันาจามาถอดวเเขตก็คือภูเขาคันจมา ี่เห็นได้นะเหได้นี่คนเรามันเที่ยวเพลินก็จะลงมาจากนั่นภูเขาพระตูมเองก็ลงมาไร้เลยเลยเที่อเลยตากภูเขาลูกนั้นเขาไกลลาดภูเขาฮิมาลายภูขเขาลาว่าไปคนชอบเที่ยวไม่ชอบอยู่บ้านนะชอบเดินทางเล่นล่นไปสองคนผัวเมียนะอกูรักเขาก็ไปกัน้ไป เต้นใจเต้นใจก็ไปถึงป่าป่ามันก็ได้ป่าหินเมื่อวานแล้วก็ได้พักผอนในป่ามันเริ่ ม, มเริ่อมดีมันก็มีมันอยากจะเป็นวาเล่ที่ตําของเขาหรือว่าจำนป่ากันหนังก็กันในอดีตมันเกิดขึ้นมาเหมือนจิตมันมีสภาพที่จําได้นะเพราะว่ามันเห็นภาพป่าไม้ป่าที่มันแน่นหนากว่า สวนลังนเองสวนฉันเองมันเป็นป่าก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นป่าไม้เยอะๆขนาดนั้นจะเป็นสวนดอกไม้ก็มากกว่ามันจะไม่เปต้นไม้ใหญ่ๆไม่ได้มีอะไรเป็นป่าน้ำใหญ่ๆนะจังมากก็จะเป็นชาปะโจครณนนีบ้างอย่างเงี้ยจากอโนดาตังจะเป็นเฉพาะที่ที่ของเขาจะในป่าหิมะมันเป็นป่าน้ําที่กว้างใหญ่นะก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่เหมือนป่าดีๆนี่แหละจำอุดมสมบูรณ์คนเราไปถึงตรงนั้นจิตมันก็มันนึกถึง ไม่ถึงพระนึกถึงจะรยเจดานางสาวเขาก็มียาเป็นเครื่องรู้เหมือนกันนะเขาสามารถจะย้องลงไปว่าสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขาเคยทาอะไรเขาเคยอยู่ที่ไหนเหมือนกับท่านสุะติิตเชื่อพระบรตะที่ก่นที่จะหมดปุเห็นไหมเหือออกไหลละกเลและเจดนะครับวิมานท่านเศ้าองแล้วอย่างเงี้ยเืองกายชุดของท่านเศ้าหมอกท่านจะต้องปฏิบัตินะ ทีที่เาม่มีใครบอกท่านว่าท่านจะไปเจออะไรแล้วท่านไปเจออะไรเพอะท่านรู้ว่าต้องจิตติก็เลยนึกดูว่าจะไปไหนถ้าปรากฏว่าตัอท่านจะต้องไปเอาเตโลจูมาหานะแล้วก็กำไอ้นั่นผ่านุมนั่นออกคมนี้แล้วเจอล้อเล่ยอย่างเงี้ยหนาวแล้วอย่างเงี้ยหนาวเลยนั่นเจดานังสาวเขาก็รู้พอมานระดกใจเนี่ยมันก็นึกถึงนึกถึงที่เห็นภาพเ่อสมัยเาเป็นมนุษย์เขาเคยอยู่ร่วมกัน ความเป็นมนุษย์ ừ. มนุษทําอะไรได้มากกว่าความเป็นเจดานังฟ้ า, า, า ừ. ทำอะไรก็ไม่รู้แต่แล้วก็ชอบของเขาก็อย่างไรก็เล่ า, างงกันเป็นไงว่าเขาบอกมนุษย์มีความสุข ừ. เป็นแดนที่ไม่มีความวุ่นวายตอนนั้นไม่วุ่นวาย ừ. คนมันยังน้อยใช่ไห่าล้วฝ่ามันใหญ่ไปเทียกันไหมโรกมนุษย์แล้วนะ ừ. เลยาะสว่างก็ลงมนจัดอาภกเขาคันธมาศก็ลงมาที่โลกมนุษย์ก็จะมีแสงสว่างในตัวใช่ไหมกุฎาดังฟ้ายจะมีแสงสว่างในตัวอตอนนั้นตอนนั้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะมีแล้แต่พระอาจิตย์เนี่ยมันมีกำลังตามร้อนอย่างไม่สูงนะักน้ํามันถึงมีมาก ตามตึ้นเคลื่อนมาถึงมีเยอะเหมือนกับวไม่รู้ว่าช่วงนั้นพระจิตเมรุแสงมันกําลังของความร้อนมันึเหมือนอย่างนี้ยิ่งอยู่นายิ่งร้อนใช่ไหมเป็นเพราะั้นบรรยากาศเนี่มันเปลี่ยนไปไอ้ภาพที่มันมารวมกันมันไม่มีเกราะป้องกันหลังสีของคลื่นความร้อนที่มันแผ่มาจากพระจิตจริงๆพ้าที่จะองปกติของเขาอะนะ แต่ถ้าถูกต้องบาั้นบรรยากาศที่เป็นชั้นชั้นั้เนี่ยมันมันถูกทําลายอะไัจะได้มันถูกทําลายถูกไหมตามเรามันก็เลยผ่านเข้ามาลงมายังโลกมนุษย์ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยแต่สมัยนั้นมันชับรรยากาศมันยังมีอุดมความอุดมสมบูรณ์นี่กหละถาที่มันเป็นปกติชั้นก็มันก็เลยสามารถจะกรองความร้อนมาถึงโลกมนุษย์มันก็มีความเย็นสบานไม่จับความร้อนมากไม่ทรมาน แต่เขาก็มีแสงสว่างกล้งคืนกงคืนมันก็เห็นได้เป็นอะไรได้เทดานางฟ้าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องกลาจะเป็นอะไรหรอกรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นคาสุขที่เขาอยากจัสนุกท่องเที่ยวเถื่อนเขาไปเ้าลงมาแล้วก็ไปรอไปเรื่อยๆเลเลยเลยยเล้เลยเลยเลยาลยเลเลยเลเลยเลยเลยเ อนั่งนั่งนองนดั่งอะไรเงี้ยเอาอาทยาใส่คิดดว่าจิตเนี่ยมันจะ็นกําหนดนะมันจะจนตัวกหนดทุกอย่างเลยจัง น, นะจิตมันมีอํนนานาจที่มันพิเศษมากเพาะมันกาหนดขึ้นว่ากาธนาที่จะอยู่ที่นี่กาธนาจะเดินนั่งกินนอนไม่ใช่เพราที่เคยเป็นมนุษย์ก็จะไป น, นึกว่าเราเคยทําอะไรเราก็จะทําอ่า ไปเตรียมตัดไม้ไปเตรีแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรตัตดไม้เขาบอกว่าเขาเคยตัดไม้ด้วยวิธีอย่างนี้มีไอ้นี่ไอ้นี่อย่างเขาเขาก็ทำเขาขึ้นมาแต่โชว์ดานี่ยเห็นไหมยังมีระมิดได้อยู่นะอแต่เขาจะไม่เโิดว่าให้มันค้นให้มันเป็นบ้านเลยเขาไม่ทำเงี้ยเขาก็ทำเหมือนสมัยที่เขาจําได้แล้วเขาเป็นนุษย์เต้องทําอะไรไปผู้ชายก็ไปจัดแจงหาต้นไม้อ่า ทาไอ้นั่นทำไม่ได้หรอกเขานะาจะัดไซตก็สร้างที่พักที่พักอาศัยของเขาเด็กสองคนส บ, บางวันวันอันนี้มันนานเข้านานเข้ามั น, นานในาเโรเกมนุษย์ปัจจุบันเขาบอกว่าสี่ล้านปีสี่ล้านปีในโลกมนุษย์นะยังไม่ได้กลับขึ้นไปเลยเพราะไม่อยากกลับเนี่ยเพราะว่าที่นี่ไม่มีใคร ข้างบนยังมีบางต้ายังมีเจวดาองอื่นนะที่เขาไม่ชอบคือว่าเขาอยากจะตายแม้จะไกลไบริวารก็ไม่เอาไปด้วยนะถ้าสองคนไปอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ติดกับอคิดว่าเขาคงอยู่เนี่ยสบายแล้วอยู่ไปมานๆเขาแสงสว่างมันก็เริ่มน้อยลงไปเพราะว่าจิตมันเคยสภาพัสเคยชินกับการเคยขิวเคยกินอยากกินต่างแางต่างแบบมันก็ต้องกินอะ ก็ต้องหาอาหารที่จะกินถ้ากินผลไม้มันกินอะไรตรนี้เที่พอหาได้จากนั้นมันก็มผลไม้ใชมแต่เล็กๆมันเป็นสารพวกแมลงไม่ใช่จัดใหญ่มันนี่มีจัดเบ็กวนเขาแมลงก็ไม่เล็กวนเขามันเหมนจัดเดินดินนิดๆนิแต่นิดนิดๆเท่นั้นะอ่าเรือนั้นนะกี่มันมากกับพวกเตยพวกอะไรมันนั้นนะมันจะดีที่มาเริ่มกินผลไม้แริ่กินอะไรประทาบมันก็เริ่มปรับตัวสิ อไอ้า uh, ที่มันเข้าไปเนี่ยถึงจะกินแล้วมันว่าอันตามเป็นคุกของเขาก็จงกินเล่นกินเล่นกินหลายเล่หนหลออกกินหลายออกก็ตามกันเราคิดข้าวว่านังานปร่งใช่ไหมแต่อีจิตเนี่ ย, ม, ย, ยมันทําให้เป็นได้ะเด่นนั่นมันเป็นอสุญยาจิตเหมือนกันนะของอิุจยาฤกษ์ เ, เล็กเนี่ยแปลเป็นมาได้ยังไงถึงจะสงสัยเขาคงต้อสงสัยว่าถึงเหล็กดินตายแปลเป็นสัตว์เดินได้คนธรรมดาเป็นสัตว์ได้หายตัวได้ เป็นปเรื่องไนเธอจะเอาเหตุผลดังวิทยาศาสตร์ปฏิบาตได้อย่างไรก็มาเสียสภาพไปเรื่องไงนเห็นไหมนี่คืออนนานาจของจิตที่มันทําได้เนื่องจากภาพที่เขาทําเขาก็ทำโดยไม่รู้ตัวไม่ได้อาะหนักว่าเขามีสมาธิแต่มันเป็นความตั้งใจตั้งใจที่ให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีสภาพรองรับสิ่งนี้ได้เออมันก็เลยค่อยค่หายไปตามสว่างหายไป กายที่เป็นของระเอียดเริ่มเป็นของหยาบหยาบเริ่มรับรูปความรู้สึกรับรู้เป็นความรู้สึกที่เกิดจากอากาศข้างนอกความร้อนตามหนาวตามจ็บเริมรับรู้3รู้สึกพอเริ่มรู้ความรู้สึกเจ็บปวดก็เริ่มต้องกันตัวเองถูกไหมก็จะหาเรมาติดดังใช่ไม้มอ่าติดดังเขาก็เป็นเรียกเขาต้องมีที่ปกอกคอปลอกติดตัวเขาแล้วเขา ไอ้วามเป็นชิคกี้พายมันก็ค่อยหายไปไปก็เป็นกินดาเลิมหายเลิ่เงิเจ้โตแล้วเร็วแล้วอายุว่าโผแล้วอ่าไอเงี้ยอ่เาก็เริ่มมาเราดงใบไม้เอาไอ้นั่นไอ้นี่มายอดมาติดมาบังมาเพื่อเราต้องการความร้อนต้องการความหนาวแต่ละมาเริ่มเนี่ยแล้วก็เริ่มหาหาแล้วก็เริ่มหิวขาดมาเริ่มก็ไปควนใจเขามาเริ่มเกลียง ปว่แพงให้ได้สบายหิวต้องบริโภคอาหารร้อนกระจกผิวแล้วถ้งางไปปกป้องตัวเองให้ร้อนร้อนมากๆก็ต้องไปตัดลมได้น้ําเอานะ้ำมาเจ๊กมาอาบนี่ยมาเจ๊กถูตัวเขาเนี่ยเขาก็เร่มทำเหมือนที่เขาเคยเป็นมาในการก่อนฟารมเป็นมนุษย์ไปไปนานๆเข้าฟามเป็นมนุษย์นานานานก็กลมเกลืนกลมเกลนหลังจากที่เขาเป็นมนุษย์แล้วเขายัมีอายุ เโยดได้อีกหลายหลายล้านปีแหงไหมเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ยังไม่เต็มทั้งหมดอ่าจิตแค่เพียงพอมีอำนาจที่จะแปรภาตทั้งหลายนี้ให้เป็นอาหารจิตได้นะว่าภาตตัวนี้ที่มันเป็นโทษน่ะมันถูกขจัดออกไปมันไม่ขังเก็บแล้วอย่างของเรามันเก็บอ่าในที่ระดับโลกใครใครเก็บไอ้พวก เส so ื้อโล่งเสื้อโล่งนะนะอะไรของตกกระปกแล้วมันก็เกิดเดหมดไอ้เส้นไอ้สายมันจะกรองมันก็กรองได้ใน่เต็มที่ไอ้ป่าจะทํางานก็ทางานได้มันก็ไม่เป็นเท่าไห่ใช่ไหมมันก็จะรหลือเป็นอางเส้นเล็งเนเลืก็ฝังของตกกระปกเสื้อโล่งในเยอะแยะหน้าการซึกตกของร่างกายมันดันจะเกิดขึ้นได้ง่ายใช่ไหมแต่ของเ้ามันจะมีอํำนาจของใจมันพออยู่ที่สามารถจะกรองของเสียของที่มันเป็นโทษต่อตัวเขาเองออกไปได้ เหมือนกับเป็นหนึ่งตัวกรองได้โดยที่ไมาต้องอาศัยอวัยวะแต่อาศัยอำนาจของจิตเขาก็อยอู่อย่างนั้นไปอีกนานนานนานเป็ น, น, น, นคนเล่ า, าหิวเดี๋ยวโดยไปก่อนแล้วกันจริงก่อน แต่ตามทุกที่เกิดขึ้นกับเขาสองคนเนี่ยเขาไม่มนิยมสนใจเขาสนใจใเขาได้อยู่ของเขาอย่งมีความสุขพอใจแล้วนะถึงจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนโดยทางที่แย่ไปกระเดินหนักกระเด็ร่างกายเครเคลื่อนลอยได้มันลอยไม่ได้มันต้องเดินเขาเดินมันก็เจ็บใช่ไหมื้นดิ น, ดนพื่มไม้กระทบหนังก็ต้องมีซากม้งซากไม้จะหล่นลง ม, มันก็ต้องเจ็บ้าเจ็บอะไรบ้าง ตามเจ็บมีแล้วแต่ก็ไม่สนใจไม่สนใจตามเจ็บไม่นสนใจตามร้อนตามหนาวก็ถือว่าเขาสามารถหาสิ่งอื่มาปกป้องได้ปกป้องเท้าก็ได้ปกป้องเขี้ยวนังได้อ่อาหารการกินก็เยอะแยะผลไามาล้รางไม้มีเยะแยะไปก็พอแต่เขาไม่คิดอยู่อย่างสดายได้สองคนไปๆมามานักๆเข้าถ้าทั้งสิ่ที่มันจะชุมรวมกันมันก็เริ่มหยากขึ้น ตามตกตกก็เริ่มขังตัวเพราะเขาโมจัดเพลินตามจุกเรื่องอื่นในตอนนั้นนี่ยมันยังมีเอากำหนดของใจคอยเคลียเพราะเขาไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็มันก็จะไม่เป็นโทษกับเขาคราวนี้ไอาตามจุกมันเพลินในเรื่องการตามใครมาจากโมจัดเจินกับอายุของสองคนนี้นะโมจัดโฆษณาเรื่องสัมผัสกันบ้างอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปเพลินเข้าไปมันยังมันยังไม่อยากมากเขจริง แต่ตอนที่เขาเริ่มไม่สนใจเรื่องเรื่องอะจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วตอนนี้มันตกสะตมแล้วพอสะสมพวกแร่ธาตุที่เป็นของหนักของหยาบไอของที่ทางเข้าไปมันก็ไม่มีการออกไปมันก็เริ่มอ่าขึ้นมาเริ่มขึ้นมาเริ่มสรม้างอะไรต่างๆขึ้นมานี่ก็โม้กันใจเออไปเราทราบแล้วว่า สุดท้ายเขามีชีวิตที่เป็นมนุษย์แต่ยังมีแังเรงรองอยู่นะยังพอมีอยู่นะแต่ยังไม่ต้องอาศัยไฟส่งสว่างเท่าไหร่นะโดยในตัวมันยังมีแสงอำนาจของบุญที่เขาทํามามันยังไม่หมดแค่ที่นี่มันยังไม่มีแรงกรรอะไรทําให้เขาต้องเป็นไปมันอยู่ในเขตเรียกว่าอยู่ในช่วงช่วงชื่อบนญบาปมันยังไม่ได้ให้ผลเป็นที่แต่อาศัยที่เขายังมีบุญด้วยการเป็นเชิดานนางฟ้าเขายังมีอยู่ อ่ามีอยู่จุดที่เขาเคยทำทานเอาไวในอดีตเขาจึงสามารถตอนี้ของอันการบริโภคกายตัวนเขาอยู่ในอย่างมีความสุขตามสว่งไสวในในสิ่งที่ออกมาจากกายเขาไม่ยังมีอยู่เรงลงราวยังมีอยู่ผิวพันเข้าสวยงามใช่ไหมผิวเขาจะเนียนแล้วก็เหลืองสวยงามและว่าเทวดานางฟ้าสองคนเป็นเป็นก่อนที่เขาจะกลับไปตอนที้เป็นเทวดานางฟ้าสองคนเขาเป็น คู่บุญลารมีเขาชอบทำบุญร่วมกันขยันทำบุญเขาบอกเขาเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นการเป็นความทุกข์ไรารอย่างนั้นนะคือความทุกข์ที่ทำให้เขาต้องวุ่นวายเขาไม่ชอบเขาชอบที่สบายเป็นความรักความสบายเมันรักความสบายเขาจะทําในสิ่งที่มันสบายสบาอะไรที่เป็นความสบายเขาจะทําอะไรที่เป็นการวุ่นวายเขาไม่อยากเข้าไปวุ่นวายด้วยไม่อยากยุ่งด้วย เสีจะหมายงใครจะวุ่นวายยังเขาก็ไม่ท่านเขาไม่สนใจไม่ไม่ใส่ใจไม่ไปตำหนิจิตยจไม่ไปก่าโทษไม่ไปจ้องอะไรจากใครเขาไม่สนใจรู้อย่างเดียวว่าฉันทาบุญมีความสุขฉันชอบทาบุญแค่นั้นคนที่เขาเินมากมันก็ทาได้สูงพัของเขาสวยงานแล้วเขาทำอยูในรักรสนานี่ ถ้าไหว้พ so OK. uh ้าเคยเจวอนเคยสร้างพระเคยสร้างวิหารการประเด็นเคยทำก็ทำไปในอดีตใช่ไหมมันยังเงินอยู่บนเหล่านี้มันก็ให้ผลกับเขาถึกทาให้ผีทางของเขามันเงินสวยอลังหรืออลามอันเนี้ยของต่างๆที่หายากกับเป็ของยังหาง่ายอ่เธอเชื่อหรือไม่เจอก็ตามบางทีเขานอนอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยเพราะเขาทําใจเหมือนไม่ได้เปอะไรมากมาก าการนึกถึงบนตา้าโดยที่เขาทํานึ้ถึงคุณของพระพุทธเจ้ า, จ า, จาว่าเขาเคยทําทอย่างนี้มามันตกมาจากอากาศของเหล่านั้นมันเสื้อผ้ามาตกมาจากอากาศตกมาสิงอะไรที่เขาฝาพนาันน้ำมันจะหล่นลงมาจากอากาศเขาก็ได้อาศัยสิ่งนี้ยดยตามบนอยู่สองคนยังมีตามสุขนี่สองคนมันก็เริ่มเป็นสามคน อ่าเพราะพันนะเอ้าภาพมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะภาพร่างขันห้าสมบูรณ์แล้วมันสามารถจะสร้างภาพขันห้าต่อไปได้แล้วเรื่องคามสมบูรณ์สิ่งทีง่เขามีขันห้าสมบูรณ์เขียวพันงดงามแล้วก็ไม่แฉะนะไม่ไม่แกะ่าง น, นยังแต่งแต่งดูนหนุ่มดูสาวตลอดนี้แนละแต่ว่าเวลาเ้านอนหลับคราวใดแล้วสองคนเขาไม่ถึง ในสิ่งที่เขาได้ทำมาเขาไลยมันจะหล่นลง ม, มารานอากาศให้เค้าให้เค้าได้ใช้สิ่งนั้นมือสิ่งนั้นนี่อยู่ไปอยู่มานานๆก็เริ่มมีลูกคนที่มาเกิดเป็นลูกม า, มาจากพรหมพรหมองนี้ก็เป็นพรมที่บ้าพอสมควร ต้ที่จะเกิดเป็นว่าใจังหวะดีระดีมีหัวมีคือนี้อกําลังมีความสุขจย่างมนุษย์ใช่ไหมก็อยากจะมาเกิดเ้าก็ไม่เหตุผลของเขาในการเกิดถึงจะเป็นบุญญาพีนเวลาช่วงเวลาที่มันยังไม่มีการไม่มีความทุกข์มากแต่เขาอยากเรียนรู้ถึงความสุขของคนสองคนเป็คนที่จะมาเป็นพ่อเป็แม่เขาเขาสุขยังไง เออเราะว่าเขาเป็นพรหมเขาเป็นพมเขาไม่ได้ยอมไปตามสุกแบบนี้แต่เขาอยากจะไเรียเรู้อย่งตามสุกมาสุกจริงๆหรือว่าเขามีทุกขอะไรแอบแฝงนีมันกลายเป็นอะไรอวามคึกที่อยู่ในใจเขาว่าก่อนเนี้ยถ้าจะลงมากับเขาต้องคิดนะคิดว่าจะเกิดไปทําอะไรแล้วก็ต้องการเรียนรู้อะไร๋างทีเขาอยากจะรู้ว่าเห็นได้มันเห็นน่ะพระพรองค์นี้ก็มากระชากเด่งเหมือนกันอ่าถึงจะ ชอบความสมาธิแต่ก็ชอบที่จะดูเอ่อชอบที่จะดูชอบจะเรามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นวาระที่ถูกกระตุกใจก็ได้ทําให้ไปเห็นสองคนโผล่เมียคู่นี้เข้าก็เลยคิดว่าเอ้ยดูไปดูมาเขาบอกเขามีความสุขกันจังเลยเขามีความสุขมันสุขจริงหรือทำไมถ้าสุขจริงทำไมเจวดาเขาอยู่กันทําไมนี่มันเป็นอย่างเขาบ้างละมันเป็นความสุขนะถ้าความสุขอยู่กันในสองคนแล้วมีความสุขจริง ทำไมทำไมต้องมีพระพระทำไมต้องบวชมันมันก็พาตามปิติจะก็ทำไม่อยากเลยว่าเขาฝึกจริงจริงหรือเปล่าในตามสิติที่เขามีมันมีทุกอะไรแอบแฝงหรือเปล่าถ้าเราไม่ไปสัมผัสเราไม่มรู้ไอาอาจาร์ตั้งใจมันแน่วแน่ตัวนะนั้นลูกคนนี้เป็จอง <laughs> คนอื่นห้ามยุง่งเด็กคนนี้ถ้าจะจะเส่เข้นตพรกัน เพราะสำคัญของคู่ตัวผูว้เมย์ของคนคู่นี้มันจะต้องไปเกิดฉันจะไปอาศัยร่างกายนี้เพื่อจะยนสิ่งทต้องการจะรู้คิดก็อย่างนั้นมนั้นอะไรกมก็มมตั้งใจอย่างนั้นตัอันนี้ก็ตั้งคัน อันที่แต่ก็เป็นเรื่องทีแ่แต่การออกของเขาไม่ต้องเสียเว ล, ลา ม, มากนะไม่ต้องมีหมอตันแย่ออะไรแบเนี้บุญไงยวาเลยนะอํนานาจของบุญเนี่ยมันแตกมันนี้เหมือนคนมีกรรคนเราสมัยนี้ถึงจะมีบุญก็จริงแต่วันกรรมมันมือ ม, มั้ยทำในทางข้อโลกยากเจ็บปวดทรมานาไม่ออกทางปกติก็ต้องผ่าออกเจ็บไหมมันเจ็บ ไม่วก็เลอยยู่ในท้องรุ่นๆผักกบผักกบผักันแล้วดันอีนางๆคิเดือนะเดินโยกไปโยกมาโยกมากันไม่เคยนะฉันก็ฉันเห็นนกอนเข้จน่ก็เยนไ่าฮ่าันไม่เคยเป็นผู้หญิงอะร่ามนก็อวนนี่่าอพง่านี่อำนาของบุญนมาทำให้ฟังครอบง่าย ใช้ดีละเรืองของอประวัติศาตร์เนยละ่ะเห็นไหมแค่มือแตะท้องนะสามมือแตะท้องภรรยาปุ๊บจะยาท้องเลยเแล้วก็คลอดง่ายไม่เลยไม่เลยคลอดปกติเหมือนคนเราคลอดธรรมดาอันน้นของบุญเนเ่องชัวจ่ายเฮ้ตังตงเเอมือ น, น, นเลยเว่อร์เว่อรดีเว่เออภินยาเว่อรยิ่งกว่าเลยแต่คือาเงบุญใช่ไหม เออคนที่ได้สิญญาท า, าอะไรเยอะๆเยอะแยะไปทาไมาำได้บุญเนี่ยไม่ได้เกิดจากอำนาจสิญญาแต่เรื่องเญญรุธฤทธิ์ของบุญมันเกิดได้มันเกิดนกในสิ่งที่เธอไปอ่านแล้วก็คือโอ้มันเรื่องที่มันเป็นไปไได้ทั้งหคนก็แต่งกันมามันเรื่องจริงทั้งนั้นมันมีเหตุมีผลบัตรใจมันมาจากบุญคนเราในโซโลซังในสมัยชาาุติาาการของพระ อ, องค์บ้างพระโพธิสัตว์ที่องค์ทรงมันเป็นบารมี คือบังเป็นบาลานีบาที่มีบุญบาลานีใช่ไหมทําอะไรจึงมีสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนื่องเพราะาอำ น, นาจของบุญญาลิศเหมือนทําให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นกับท่านผู้มีบุญได้แต่คนที่ไม่มีกําลังบุญจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้งสองนั้นก็ยังมีบุญอยู่ไนะแล้วคนค์นี้ต้องมีบุญมากการอุบัติของเขามันจะเป็นการอุบัติที่ง่ายไม่ทาให้ข้าม่สคนไม่มีการเจ็บปวดๆๆหรืออะไรเลยพอเขา รู้สกจะตั้งคันปัดไม่เกินสามวันก็ติดๆม่เย่เป็นเ้าเดือนมันนะออกเลยออกมันเดินได้เลยเหมือนหมาเลยไอ้หมาที่โันเราเราออกมาแล้วยังทางยังทางไม่ได้อะไรได้ไม่ได้มันใช้กำนาไหน่อยนะเอออยากจะเดินได้แล้วมันไหลจะเป็นตี ามาได้ออก a บเดินปักมันอุดมอะไรหลังากตรงนี้ก็เดิมาอาปักเดินบเดิเดินได้เดินได้พูดได้ต่างหากเลยไม่ใชเดินได้อย่างเดียวพูดได้เลนะตัวยอยู่ออกมาก็ตะ ยังไม่มีชิ้นส่วนใดๆเพื่อเป็นเพื่อเป็นแม่เขาจะเอาผ้ากีฬามาจากอากาศที่เขานี่นเขาจะมาห่อหุ้มอะไรไว้นะเอ็นได้ก็ให้นมทานเด็กก็จะไม่กินอย่างอื่นน อ, อกจากนมเด็กข้าวเาด็กนมให้เด็กกินกนมแม่อ่าตอนแรกในว่าเวลาไปผ่านไปหลายปีจนเด็กอายุประมาณสิบสปีได้นะได้ เริ่มความคิดและความจําที่เขาเคยลเล่นในสิงมาเริ่มเกิดและเพราะว่ามันสะด็ดใจตรงที่เขห็นพ่อแม่นอนหันหลังให้กันก่อนหน้านี้โยงสงเขาไม่เห็นท่านนี้แต่ตอนนี้เห็นพ่อแม่นอนหันหลังให้กันนะแล้วก็สงสัยแล้วเริ่มสงสัยก็ต้องคิดถามว่าจะไปถามพ่อแม่มันก็เด็กอะไรยอยู่ใช่ไหม อมันคนลเล่งก็อะไราเลยนี้ในใจได้ทำไมทําไมพ่อเราแม่เราจึงไม่ยินดีต่อกันล่ะถ้าเคยมีความสุขกันมาต้องหลายต้องหลายร้านปีผ่านเวลามาต้องนานทําไมแบบนี้ก็จึงไม่ได้ให้มีความสุขมาอย่างแต่ก่อนล่ะไม่รู้ภายหลังว่าเขาเหนื่อยมันมันเหนื่อยกับร่างกายที่ต้องคอยแบกมันเหนื่อยกับการที่ต้องไปเดิน เหนือจาการที่ตั้องไปทําอาหารเหนือจากการไม่คอยระมัดระวังเหนือการที่จะปกป้องเจ็บคนเป็นลูกใช่ไหมก่อนมันไม่มีภาระใช่ไหมพอมีภาระมีลูกแล้วก็ต้องคอยปกป้องถึงจะไม่ไม่มีอันตรายอื่นๆแต่ก็การปกป้องควารมร้อนความหนาวปกป้องความหิวปกป้องในสิ่งต่างๆที่ดูจะไปตรงไหนไปเดยนตลาดตกน้ำตกค่าวไปโดนกิ่งไม้ล่มหัวหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องมี นั่นมีอยู่แล้วนั่นมีการเหนื่อยเพราะเหนื่อยการนอนของเธอสอคนก็เป็นการนอนแบบคนแบบป่วยแล้วไม่อยากจะมาวุ่นวายต่อกันแล้วก็ก็นอนหันหลังให้กันหันหลังให้กันนั่นก็เป็นภาคที่เด็กเข็มแล้วก็คิดพิจารณาแล้วก็ถามว่าเ ท, ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาจะพูดถึงเหนยแล้วก็ถามว่าการเหนื่อยมันทําให้เป็นสุขหรือเปล่าอ คนรู่เป็นแม่แบอกว่ามันไม่ใช่คามตกับลูกจะเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับยอมรับไอ้ที่เขาต้องเป็นอย่างนี้นพูดมันเหนื่ยมันต้องยอมรับแล้วก็ต้องพักผอนมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอย่างนั้นทิ้งไม่อยากพักผ่อนสมัยก่อนเนีพ่อกับแม่ไม่ต้องพักผอนกันงกลางคืนต้องไม่จำเป็นจะมานั่งสนใจกลางคืนเพราะว่ากลางวัน เดีจะไปไหนมาไหนจะไปเดินไปขึ้นไหนจะไปส น, นุกสนานที่ไหนไก็ไปได้อย่างสบายไม่ต้องแบกภาระนี้ไอ้ขันห้ามันเรียกเป็นของหนักมันเป็นภาระแห ล, ละภาระของตามหิวเข้ามาใช่ไหมตัวพ้อก็หิวตัวแม่ก็หิวแม้มันไม่ได้หิวย่างเหนย่อยแต่มันมีกานทดถอยของกําลังถึงแม้จะมีกําลังกําลังของบุญที่มีกําลังบังชาทําทอะไรได้มากก็จริงมากกว่าเราปกติอย่างเงี้ยแต่ไ่าการที่คอยเอาใจมันระวางเนี่ยมันหนัก นากว่าการใช้กายระวังใช่ไหมใจต้องคอยระวังลูกใจต้องคอยระวังคนรักด้วยกันต้องคอยระวังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกลัวจะกระทบใจลูกกลัวใจนั้นมันมีหลายอย่างในใจรู้สึกที่เขาดึงเข้าหากันมันมันเหมือนด่วงห่วงคอยล้างกันล้งกันไว้สามคนมันห่วงสามห่วงล้างกันไว้อย่างเงี้ยใครจะไปไหนก็ต้องมีแรงดึงดึงกันเน่ะไอแรงที่มันดึงคือกําลังกําลังของใจที่คอยห่วงใหญ่นึกถึงมันทําให้เขาล้า มันล้ากําลังจิดชื่อมันเคยมีกําลังของเฉ่าเนี่ยมันจะเริ่มมองไปมองอาการล้าของใจล้าลงไปทุกวันทุกวันกว่เด็กจะโตขึ้นไปโตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมตามชาติขันของมันการที่เขาต้องคอยคิดคอยห่วงคอยคิดคอยกังวลมันไม่เคยพลาดออจากใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สองคนเลยตั้งแต่เด็กยังหลับ คอยประวงกังวลคอยประวงกังวลอยู่อย่างเนี้ยคิดอย่างเนี้ยคนเป็นบดกก็จะคอยส้างสังเกตไปว่าเข้ามาเพื่อสังเกตการอยู่แล้วนะ ไ, ไม่ได้มาเกิดเพื่ออะไรมาเพื่อเล่นเกิดการเป็นความเปลี่ยนไปของคนสองคนเนี้ย<อ>เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางความคิดอย่าไรนะแล้วเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าเดี๋็กเขาคอยนั่งเฝ้าดูเ้าจะอยู่ห่าง าพ่อแม่ไปเหยื่อตรงไหนที่เขาจะไปเล้ยงไหนตการตามภาษเด็กต้องมีบ้างใช่อ่าแต่ว่าเขาจะอดคอยมองดูไม่ได้มองเขาจะเห็นพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยยิ้มกันหน้าตาแม่เขาจะยิ้มไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยจะให้ความสุใสกันและกันเหมือนสมัยก่อนเพราะเหตุยางนี้บ่อยๆเขาก็เลยเข้าไปถามเขาจะไม่ถามทีเดียวสคนนะเขาจะแอบถามทีละคนอ่าไอ้ถามแม่ก่อนเวลาพ่อไป ข้างนอกเขาก็จะเข้าไปคุกคีไปหยอกล้อแม่เขานี่เขาก็ถามคือก็อยากทางคุณแม่เขาไปทำติดเชื่อบ้ า, างเข า, า, าเห็นภาพแม่เขาไม่ค่อยยิย้มนะเราตามันไม่ค่อยสดใสเข้าไปถามไว้ก็จนอนนอนหลําคัญๆแม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ปวดมากแล้วอาจจะลุ่มไอ้อนั่นนะเะ <S <S ขาเลยถามแม่ว่าแม่สบายใจดีเหมือนเดิมหรือเปล่า แม่มีความสุขมันเดินไหมแม่ก็บอกมีลูกแม่มีความสุข แ, แต่คำถามว่ามีหนูมีความสุขจริขขงหรือทำไมแม่ไม่สึดใสเหมือนสมัยก่อนล่ะความสุขของแม่อยู่ตรงไห น, นทำไมมันไม่อยู่ในใจแม่หรือยังไงใใจแม่ทําไมไม่แผงใสมันออกมาจากภายนอกเนี่ยมันเดินห ม, มุนหมองทำไมความรักของแม่มันจึงโยมันเปน็นเป็นของหนักใจล่ะ เด็กนะเด็กก็ช่างถามแม่เขาก็อึ้งไปนิดนแล้วก็ตอบว่ามันจะเกิดขึ้นได้ต้องยอมรับอะไรใช้คำนี้ที่มันเป็นอดไม่ได้เมื่อเขามีลูกเขารู้สึกว่าเขารักเขาก็ต้องห่วงใหยไอ้การห่วงใยมันก็จะดึงใจให้ไปตามกังวลกับสิ่งที่ลูก่องจะไปไหนมาไหนจะกินอะไรจะมีอันตรายอะไรคอยตลอดเวลามันคอยดึงใจะตลอด มันเป็นจำเขาบอกว่าจะบอกว่าทุกมันก็ยังไม่ทุกทั้งหมดแม่เขาว่างนั้นแต่ถ้าเท่านั้มันเป็นสิ่งที่จำยอมยอมรับที่ไม่สามารถจะทำในอืดได้เป็นอืดไม่ได้แม่คงต้องเป็นอย่างนี้ครับพี่วะแม่คงต้องเป็นแบบนี้และลูกใจแม่ของใสยังไงเหมือนเดิมคนเป็นกัดไปอย่างเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะไม่มีหนูอ่าวางนั้นนะไม่มีภาระแล้ว ได้มีสิ่งที่ต้องทํามากกว่าเดิมมีสิงงที่กังวลใจมากกว่าเดิมสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราต้องคอยบำรงรักบบำรงกำมันมันก็มีเรื่องการเจ็บแผงมันก็เริ่มมากขึ้นใช่ไหมเมือม่อยามใดที่ร่างกายมันเนริ่มเจ็บแผลเจ็บปวดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เมื่อยใช่ไหมก็เม่ ก, กันล้าจิตมันก็เริ่มไม่สบายใจมันไม่โปล่งมันไม่มีภาระที่ต้องกังวลกับกา ร, วการปวดของขาการปวดตามร่างกาย ตามปวดตที่มันถูกเจี๊ยบแทงว่ตามันหิ ว, หวน้ำหิวอาหารต้องการได้ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเสนอมันม ม, มีเสนอห์กจิตมันก็เลยยืนจะภาพแบบว่าคุณนขุจิตเมื่อตาเป็นโซดานังต้าใสสวยถ้าเกลายสภาพตรงนี้จกสีคุณนขุณนมันแก้วคุ่นขุขน่นแก้วหนาหนมันไม่ใสไอ้นีนะ่มันยังใสนะแต่ัมันจะคุนขน ข, ข, า, วขาวขาุนุะ ดวงจิตนะเริ่ม เ, เพราะว่าอะไรมันไม่มีเรื่องของใสถึงเขาจะเห็นลูกของเขาเล่นสนุกสนานหยอกล้อแล้วลูกมาหยอกล้อเขาก็ยิ้มยิ้มหัวเราะสนุกแต่ว่ามันคล้ายๆมันเพียงแค่ถักงชท่าขนาดจิตหนึ่งฮิตเดียวแต่เนื้อแท้ ข, ของจิตมันไม่สามารถทําให้ตัวเองของขึ้นมาได้เมือ่อเขาเป็แบบภาระอะไรอยู่เตอกจนใจจตอยู่ในหัวใจอของเขาตลอด เห็นไหมเห็น้าพเราจิตมันจะเป็นอย่างนั้นาการที่แบบตามทุกที่ตัวเองคิดว่ามันไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่จริงๆนัน่นเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในต่างต่างใจซึ่งจะไปเชิดกระจายไปเป็นโจดานังฟ้าได้เนคนละเรื่องคนละเรื่องแน่นใจว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคนไปแล้วมันจะกลับให้เหมือนเดิมเขาทําไม่ได้เขาบอกเขาเพีงสามารถจะทําให้ใจของเขากลับเป็นเหมือนเมื่อตอนที่เขาอยู่ทองคน สามีภรรยามันเดินไม่ได้เขาทำเงินเขาทำไม่ได้เขาบอกแม่ทําไม่ได้ลูกแม่จึงต้องยอมรับยอมรับสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นต่อต่อไปจะมากมาแค่ไหนข้างหน้าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะยาวนานแค่ไหนแม่ก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะยุดติดก็ตอบไม่ได้หนูโตแล้วแม่จะหมดความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพว่างกันนะ พอช่วงไหนคุณพ่อเดินจะไปในป่าเพื่อจะไปเอาไม้เอาผลไม้เขาก็จะเดือดไปด้วยแล้วถามพ่อว่าพ่อทำอย่างนี้ทุกวันทุกวังพ่อไม่เบื่อหรือพ่อก็บอกว่าก็เบื่อเพราะเป็นสิ่งคิดพ่อไม่เคยทำเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องทําทีนี้มันต้องทําถามว่าแล้วพ่อทํำทำไมมันก็ต้องยอมรับ ก็ต้องยอมรับจริงสิ่งที่เขาต้องทำล้วก็ไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้แต่เขาไม่ทำเขาก็ไม่สามารถจะอาหารมาเพราะว่าร่างกายมันหิวใช่ไะมันก็อาศัยต้องเอาน้ำมาเอาอาหารมาน้ำมันก็ไม่มันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ต้องเดินไปเอาก็ต้องหาใครกันนะที่ใส่น้ำมาก็จะได้มากๆหน่อยมาทำอาหารทำอะไรของเขาต่อไปนังใจของพ่อเขาเขาก็าาดูแล้วว่ามันก็มัวเหมือนแม่แตจะบนหนักของแม่อีก อ่าที่มหนักก็เพราะว่าพ่อรักแม่ก็ห่วงแม่พ่อรักลูกก็ห่วงลูกจังนะถ้ากลายเป็นสองห่วงต่วงว่าภรรยาจะไม่มีอาหารทานห่วงภรรยาจะมีอันตรายมันห่วงเยอะไหมห่วงเยอะห่วงเยอะไอ้ตาอดทนของเขามันก็เลยมีมากกว่าผู้หญิงผู้ชายมีตามอดทนในอารมณ์ะในตามหนักของอารมณ์จิตเนี่ยมันหนักขึ้นหนักกว่าเพราะว่าของแม่เลยยังขาวมงขาว แต่มันมันยังนมเป็นเป็นหมอกหมอกอย่างนั้นนะนะมันขาวขุ่นขุ่แต่พ่อก็จะขาวขุ่นมันจะมีเม็ดดำๆไม้ใช่เม็ดดำๆที่มันไม่ดำสนิทอ่ะอย่างนั้นเรื่องฟังกันนะเอ๊มันฟังดัๆมันจะมีสิ่งนี้ติดในกระแสใจของเขาด้วยเครียดอยู่เราะเดกคนนี้เขาเห็นเพราะว่าเขาเป็นคนมีบุญอ่าเขาฝึกมาได้ทางการเห็นใจโดยใจโดยสิ่งนี้เขาเห็นมาก่อนเขาจะเห็ภาพตานี้ยพราะเขาอยากเห็นก็จะเห็น อาจะเปียบเทียบกันว่านี่คือข้อแตกต่างแล้วก็ข่าวเขาก็เลยคิดว่านักต่นี้เป็นต้นไปคนสองคนเนี่ยจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้ออยังไงคนเป็นลูกเกิดตามตรงสานคนเป็นพ่อเป็นแม่อ่าเกี่ยวกัตรงสันภาระทั้งหลายก็เชื่อให้ทําขอนคายก็ จ, จริงถึงก็ไม่มีสิ่งใดที่จเป็นอุปสรรคขัดขวางที่มาทำให สองสามคนเขาอยู่ร่วมกันแล้วมีปัญหามันไม่มีปัญหาในเรื่องของภาระแต่มันมีปัญหาของคาว่าภาระภาระของขันห้าของเขาภาระของขันห้าที่เขารักคนที่เขารักทั้งลูกทั้งเมียอย่างนี้นะแต่เป็นเรื่องเป็นภาระทางจิตใจที่เขามันไม่มีความสุขแล้วคันนี้พรมคนนี้เขาจะรู้สึกต่อสองสามสองคนแต่พรมยังไม่ได้เศร้าหมองมันสองคนนั้นเพราะว่าเ้าเป็นคนดูเขาไม่ใช่คนเล่น กําลังของตาจสมาบัติเขายังมีอยู่เขาไม่ได้ขาดตัวลงไปดันั้นเขามีปัญญาได้อย่างไรเข้าใจไหมไอ้การที่เขามีปัญญาคิดนั่นคิดนี่มองได้ละเอียดเขาจะมีอํานาจสมาธิเขายังอยู่ถึงเขาจะลงมาเจติติดแล้วก็ฌานแต่กำลังสมาธิที่เจ่าแต่เขามันไม่ได้ไหลตามพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ไดพอใจเหมือนพ่อแม่เขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของฌานคิดแต่ถ้าเขาไปตามป่าสนามไปอยพ่อแม่ก็ต้องมีการดิ้นรนเหมือนอย่พ่อแม่ก็ต้องคิดถูกไหม เพราะนั่นควาิดเขาไม่มีแบบนั้นไอน้ใจมันก็เรมือนเริ่มสว่างกว่าก็เป็นการว่าจิตสามดวงมีความแตกต่างกั น, นคนจะ็นเรืองในจิตที่สว่างสวัยกว่าสะอาดกว่าตอนนี้เป็นพ่อเป็นแม่พ่อหนักกว่าแม่เบามาห น, นอ่อ ย, อ, อ, อ, ย อ, อย่างนี้เป็นต้นเขาก็เริ่มคิดว่าเขาจะทํายังไงให้สองคนกลับไปยังสภาพที่คนจะไส่กใส่เหมือนเดิมแล้ว ท, ทําไงเจ้าคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าเขาตายล่ะ สองคนจะดูขึ้นไหมจะกลับไปเหมือนเดิมไหมเออเขาคิดอย่งนี้นะเขาก็ทําตายโอ้ทำง่ายไม่ยากใช่ไหมเอ่อเจ็บลายตัวออกไปทุกร่างกายมันก็เป็นการทำงานเจ็มล่ะเออแต่เขาสามารถ่ำให้ร่างกายนี้ไม่เน่าได้แล้วเขาจะกลั บ, ลบไปอิฐนะ เขาอยากรู้ว่าสคนจะให้ความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เป็นของห่วงของรักที่ว่าของของเขาเนี่ยกับสิ่งที่เขากำลังหม่นหมองขนาดเนี่ยแต่ในตานนั้นเขาไม่คิดหนักขนาดนั้ น, นเขาคิดเพีงวยงแค่ว่าเขาต้องการจะช่วยให้สองคนนี่นไม่ต้องมีภาระกับเขาเราลองวางภาระให้เขาไม่ต้องมีภาระสักระยะเลยสิใจใเขาจะดีขึ้นเดิมไหมเอาคิดแค่นี้นะพอเขาคิดแค่นีวว้ตั้บเขาก็ตัดสินใจในระหว่างที่เขานอนอยู่ ใ, ใกล้พ่อกับแม่นเนี่ย แล้วก at ็รอตัวเขาออกมาเป็นดงจิตแล้วก็เฝ้าด um ูเป็นเช้ารุ่งเช้าเด็กคนนี้ก็นิ่งนอนแข็งแม่ปกติเปี่ยนข้ามาปุกเขาแล้ต้องเี่วนไปจัดอาหารจัดอะไรเตรียมผ้าเตรียมน้าเตรียมให้สามีเตรียมทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็เตรียมอาหารเตรียมให้ลูกมันก็จะมาปกลูกตอนหลังปลุกสามีตอนหลังพอมาขยายสามีสามีก็เปี่ยนขยายลูกลูกไม่เปลี่ยนแข็ง ไอ้จิตมีมีสภาพจำก็รู้ส no ั่งตีว่าเนี่ยลูกตายตายลูกตายเด็กแค่อยุสุดตะกรบตายแล้วคนที่ร้องห้ไม่คืคนเป็นแม่พัลาจากจิท่ารักเขาคืของของเขาไอ้ที่เึกสร้างขมาของเขานะเขาดูแเฝ้าระวังเฝ้าถนอมเฝ้าดูแลระยะเวลาต้องนานใช่ไห ทุกเวลามาทีพเขาจะมีดีจิตใจคอยหลงลังเดินไปเส่ใจของลูกตัวเองตลอดเวลามากกว่าเรื่องอื่นพอเขาเสียนเสียเขาร้องไห้มากน้ำตาที่มันไม่เคยมีมันก็มีอ่ามันก็มีออกมาสามีเห็นเขา้าก็ตกใจว่าทำไมภรรยาร้องไห้เห็นไหมภรรยาก็บอกลูกของเราตายไปแล้วแต่สามีนะําไม่ถึงขั้นร้องไห้นะ แต่ก็ต้อความสงสารเมียมากกว่าใช่ไหมก็ยังไงไปสงสารลูกมันไม่มีประโยชน์ลูกตายไปแล้วใช่ไหมสงสารเมียกำลังเศร้าหมองตัวเองจะมาร้องไห้มันก็ไม่ได้จริงไหมก็ต้องเป็นผู้นําใช่ไหมก็ได้เข้าไปอบกอดภรรยาแล้วก็บอกหึงตาามเป็นไปว่าทาใจจกนะอ่าภรรยาก็ทําใจไม่ได้ก็ได้เศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ทุกวัน ถ้าจ่าลูกไปอาบน้ําตอแล้วนะก็ยังเดินพาไปอาบน้ําเองพาไปจ่ายไหนจ่ยไหนด้วยตัวเองไม่ได้สอนให้ลูกไปเองนะสิ่งที่เป็นพิรุธที่เขต้องจัดการคือพาลูกไปอาบน้ําเสียงเสื้อพาให้ลูกจัดอาหารให้ลูกทานอย่างนี้นะดูแลสุขทุกข์ให้ลูกก่อนซก่อนลูกจะไปเรียนไหนก็ไปแต่แล้วถึงเวลาอาลูกกลับมาลูกกลับมาก็มาเสียงเชื้อพาให้ลูกจัดตัวให้ลูกอาบน้ํานะ เตรียมอาหารของยินให้ลูกอย่างเงี้ยคือปกติของเขาถึงแม้ว่าเด็กในเจะนี่มีชีวิตจิตใจแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นอีกอุ้มไปเพื่อแข่งแข่งนั่นแหะอไปอาบน้ําไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะอาหารวางหน้าลูกทั้งอย่างเงี้ยทำให้มันตารื่นตลอดทั้งคราวใดที่ได้แตะต้องตัวลูกของลูกชายของเขา้ําตาก็จะไหลล่นออกมารื่นออกมาตลอดเวลาเออตลอดเวลาเลย คนเป็นสาวเหน่อยก็ได้กับห่วงความห่วงของร่างกายมันก็หนักอยู่แล้วห่วงภรรยาก็จะไม่กินไม่ไม่อะไรเลยก็ยิ่หนักเข้าไปใหญ่ขเขาือห่วงใจภรรยาไปอีกติชิ่งเคยดำในไอ้แค่นั้นนะมันหนักไปอีกหนักกว่าโดนอีกคนที่เป็นภรรยาที่ว่าขาวคุนคุนอันนี้มันเริ่มหมองลองแล้วนะหนานั่นเป็นหมอกปันเนีย แต่สามีห่หนักกว่าเดิมหนักกว่าภรรยาอีกคนที่เป็นครมก็มองดูแล้วก็คิดว่าเอ้ยไหนว่าถ้าเราคนจากภาระแล้วเขาจะมีตามสุขกว่าเดิมทําไมมันหนักกว่าเดิมอทําไมคนสองคนไม่จะดีใจว่าไม่ต้องแบกภาระเราแล้วไม่ต้องคอยกังวลไม่ต้องคอยนึกถึงไม่ต้องคอยดูแลเอาใจใจ แต่ทําไมกลับหนักไปกว่าที่เขาเคยเป็นซะอีกเขคิดอย่างนั้นนะพอคิดได้อย่างนี้เก็เลยเดิตามต่อไปว่าแล้วสองคนจะทําไงต่อไปอ ว, วันแล้ววันเล่าเขาก็ไม่เปลี่ยนใจที่จะทําอย่างอื่นทาอยูอ่เพียงเท่านี้นไม่คิดจะทำอะไรมากไปกว่านี้คนที่คิดมากก็คือคนที่เป็นสามีคนที่เป็นภรยาเข้าใจคิดอยู่กับลูกอย่างเดียว ก็ยอมรับลูกของไปกลับมาแล้วแต่ตัวคนที่เป็นสามีก็คิดว่าห่วงเมียมากกว่าเพราะว่าเขารักเขามานานเข้าสุพรรณกันมานานมากกว่าลูกจนลูกแค่ระยะเวลาสั้นจนไอมจะพูดว่าอย่าทาใหม่ก็ได้มันยังกระไดกะไรอยู่จนไหมอย่าเอาใหม่ก็ได้นะใช่ไหม แต่คนแต่งภรยก็ไม่มาสนใจเรื่องนี้ไม่เล่าสนใจเรืเ่องคามสุขอือ่นๆเลยนะเหลือแต่ความทุกข์ทีมอยู่กับลูกของตอนที่พัดพลาดอย่างเดียวร้องไห้ยอย่างเดียวตอนทอไต่อไปนะทำอะไรดีครับคนที่ชมก็ขอกินก่อนนะฮะ ฮ่าฮ่าฮ่าาแค่ในคเอ้ยแงแดบกันแดกจะเองเป็นไปอจะทำยังไงเอ๋จะช่อยสองคนสามีภระยาได้เหตุอะไรที่ทำให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้จะทำยังไง กลับเข้าล่างก็เหมือนอย่างที่เขาเป็นอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้เขาก็ต้องมีความห่วงมากกว่าเดิมคิดแล้วว่าถ้ากลับเข้าไปเขาต้องสนุนสนับมากกว่านี้เขาต้องระวังเรามากกว่านี้ใช่ไหมถ้าไอ้กลางศกไปแล้วจะเกิดขึ้นมันกลับหายัวอย่างสิ้นเชิงนั้นมันเป็นภาระที่หนักประเดินดเ ม, ม, มะดนะ้ก็ไม่กลับกลับก็ไม่กลับทำไไห้จิ้งจ้องจิงจ้องจิ้งจังจิ้งจ้ เออใช่ <G> <ำ>อืมหน่ค e. <G> ือขงงนั้นก็น ค, คือการให้2คนอดิชชาถ้าเขาจออยู่ในปัจจุบันและเขาไม่ย้นนึกถึงสิ่งที่เป็นมาในอดีตเขาจะไม่มีทางออกเลยเพราะเขาไม่รู้อนาคตใช่ เขาได้ในปัจจุบันเขาต้องเป็นอย่างเนี้ยเขา้อมีความาสุขเพียงแค่นี้แล้วไม่ไม่สามารถจะออกจากสุ่งนี้ไปได้มันถุกขังอยู่ในขี้มันมุษยไม่มีทางออกปัญญามันไม่เหนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นกับเขาได้ลจจลแล้วเพราก็จมอยู่ในความเศ้ามองแต่ว่าผมก็ได้จะมองมอยู่โดยว่าถ้าเราไม่ดึงใจสองคนให้ใหกลับย้อน ก, กนอลับไปในอดีตที่เขาเคยเป็นเขาจะไม่สามารถคิดและพิจารณาถึงสิ่งที่เําทำเป็นในปัจจุบันได้เลยว่าเขากำลังเป็นอะไรอยู่ ทีเขาทำอยู่มันคืออะไรอพอตกกลางคืนถวกไหมผู้เป็นภรรยาเข้าเอาลูกของคนน้อยกอดนอนไว้อสามีก็นนได้กระพ้ามองดูภรรยาด้วยความสงสารแล้วก็คอยหลับไปพรมอง น, นั้นก็ปรากฏจักจิตก็เป็นรูปพรมองค์สว่างปรากฏก็นสว่างในห้องในสว่างกล้าไปหมดวาใจหมด แล้วก็เดินจิดให้ใจให้สองคนสามีภระยาเน่ยตืนจากหลับพอเขาตนจากหลับมาครักเขาก็เห็นเห็นภาพอของจมที่มีแสงสว่างสวัยสวยงามนะะแล้วพร น, นั้นก็พูดว่าท่านทั้งสองจงตื่นกับความเศ้าหมองเถิดอย่าจมอยู่กับจนที่เป็นโทษกับตนอยู่เพียงเท่านี้เลย สิ่งนี้ไม่ใช่ของจริงสิ่งที่ท่านเคยเป็นอยู่ที่ผ่านมาท่านมีความจุขแบบนี้พอเขาพูดอย่างนี้ปั๊บอำ น, นาจของใจคนที่มันอยู่กับสิ่งที่ออสวยงามมนะันสงบไหมมันเริ่มสงบมันก็แริ่มีลืมตามทุกตามคิดที่มันเคยคิดกขว่งขันลูกอะไรต่ลอดเวลาที่เขามีอยู่ใช่ไหมมันหายไป ไอ้ความว่ามาจาับใจเขามันทาให้เขาสงบอาหน้าของใจของจรที่มีความสงบมันจะให้ค น, ยน อ, อยู่ใกล้ตกวดพอยสงบไปด้วไอ้ความสงบของเขาก็ทําให้จิตของเขาได้กลับมานึกถึงสิ่งที่กรมองค์นี้พูดได้ภาพมันก็ปรากฏให้เขาได้เห็นแต่ ก, ก่อนหน้านี้เขาเป็นเจ้าด่านานะฟ้าเขาร่องลอยเขายังมีความสุขสบายเขาไม่มีภาระไม่เคยต้องถูกตั้งให้จิตใจเขาสมงบแบบนี้เลย ดังเจรจาส อ, องสามีภรรยา ก, ก็เริ่มคิดเขาเริ่มคิดในใจให้ไม่คุยกันนะเขาเริ่มคิดแล้วโลค่าสิ่งที่ เ, เกิดขึ้นมาที่นี้เขาเห็นมาในอดีตผ่านมาก่อนหน้านี้พอเขาเริ่มคิดแล้วจิตเริ่มจะมา่วนี่ยนจต่ที่มันขุ่นมัวมาเริ่มกระสภาพ้าใสาขึ้นใสข่สขึ้นสว่างขึ้นดวงจิตเขานะเริ่มสว่างขึ้นใส่ขึ้น พอกขาลื่อนสายเ้นตั๊กผมเห็นแล้วว่าจิตเข้าไม่กำลังแล้วพอจิตเข้ามีกําลังแล้วก็เลยพูดต่อไปว่าท่านทั้งสองอย่าโยนที่นี่เลยดินแดนตรงนี้มันไม่ทําให้ท่านทั้งสองมีความสุดดกดอกกลับไปที่เดิมเถอะผมได้แแนะนำเท่านั้นนะไม่รู้ที่ผ่านไปทางไหนมผมยัไม่รู้ที่ผ่านใช่ไหมอย่าไม่รอก คามทุกอย่างนี้จะพายเขาควรจากสิ่งที่ดีจนน่าอยากเขากลับไปที่แบบดีกว่ากลับไปที่ที่เขาจะมีความสุขดีกว่าให้เขาคิดอย่างนั้นก็บอกนะสองเขาบอกเล้วจิตทันจะกลับไปยังไงมีปัญหายแล้วอืเราก็าตั้งปัญหายอย่างนี้ขึ้นมาครับผมก็เลยนิ่งสงบลงไปเพราะว่าถ้าตอบปัญญ า, ายังไงก็คงจะตอบมั่วแนะ่ให้ก็กลับยังไงก็ไม่ถึงตัวเองตัวเองกลับยังไงวะ S <S <S <S ถ้าข้าตั้งใจมันก็โอเคละก็เหวี่อยงอะไรถ้าตั้งใจะร า, าจะกลั่นเราจะกลับเราจะกลับดยูสภาพเป็นอย่างนี้เขา ค, าคิดว่าจิตมันมีอำ น, นาจใช่ไหมก็เลยบอกว่าท่านทั้งสองจะได้ระลึกถึงสิ่งที่ทั้งสองมีความสุขมันเดิส ม, มสิ เ, เ, เาาคเยมียวบบความสุขยังไงเคยมีพะเภาพไปจนเจ้าดานังฟ้าเคยเป็นยังไงอ่าถ้ถึงหนึ่งแล้มูลพระทั้งหลายก็เป็นุญกันนะ ไอ้เนี่ยไม่ได้ถึงสิ่งที่ท่าน เ, เคยมีความสุขของท่านอย่างเนี้ยท่านทั้งสองก็นึกถึงเพราะว่าเขาชอบความสุขของเขาอยู่แล้วเขารักความสุขเขาอยู่แล้วก็ต้องนึกง่ายในภาพที่เขาเคยเป็นเจ้าดาราวาเลือดานานล้านยังไงเขาก็ต้องเห็นได้จําได้ว่าเขามีสภาพแบบนี้พอเขานึกสิ่งนี้ปะบอกว่าท่านทั้งสองก็ตัดสินใจทื่ว่าเราไม่ปรารถนาดวงดาวตรงนี้เราจะกลับไปดวงดาวที่เราเคยมีความสุขแค่เนี้ย ไว้ตัดสินใจเท่านี้อพอพอเข า, ขาตัดสินใจใช้นวัตตะจุดมันเริ่มึกออกจานกลางแต่เป็นเจดานันตามันเดินสองคนสามีภรรยาก็หาะขึ้นไปบนสวรรค์จมก็กลับบ้านไปนอนเล่นต่ อ, อเอลังโมเท่านี้ <laughs>